ตอนที่74ลงมือระบายโทสะโดยตรงแววตาของหลิวเคอเคอร์ฉายแววลนลานนางด่าทลีชิงผิงอยู่ในใจนับรอบไม่ถ้วนึกอย่างไรถึงได้มาสาบานอะไรกันตอนนี้ลีชิงผิงจ้องเขม็งไปที่หลิวเคอเคอที่กำลังอึกอักไม่กล้าเอ่ยปากซึ่งนั่นก็เพียงพอที่จะอธิบายทุกอย่างได้แล้วหลิวเคอเคอร์อจะไม่กล้าหรือหากจะไม่กล้าพูดก็แสดงว่าเมื่อครู่ข้าไม่ได้ผลักเจ้าแต่เป็นเจ้าที่จงใจใส่ร้ายว่าข้าผลักเจ้าเอง พ่อหลีชิงผิงพูดจบหลิวเคอเคอก็ลอบปลื้มน้ำลายโดยไม่รู้ตัวนางไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีเครอรเคอโจจิ้นเย่เห็นเช่นนี้หัวใจก็พลันเย็นว่าไปกึ่งหนึ่งหลิวเคอเคอร์ถึงกับเป็นไปได้เหมือนกับแม่ของเขาทำไมพวกนางถึงได้ชอบศาสตร์น้ำโคลนใส่ตัวหลีชิงผิงนักก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่อยากก็ว่าไปอย่างแต่ตอนนี้อยากขาดจากกันแล้วต่างคนต่างอยู่ไปเสียก็สิ้นเรื่องการมาหาเรื่องคนอื่นแบบนี้มันช่างดูไม่งามเอาเสียเลย โจวเจี้ยนเย่ยบปล่อยมือที่จับแขนหลิวเคอเคอออกแล้วค่อยๆทิ้งมือลงข้างลำตัวอย่างช้าๆข้าขอโทษคำพูดนี้เขาบอกกับหลี่ชิงผิงเขาขอโทษแทนหลิวเคอเคอและขอโทษที่ใส่ร้ายนางเมื่อครู่แค่ขอโทษก็จบแล้วหรือหลี่หวันส่งเสียงขึ้นมาทันควันนางมองโจวเจี้ยนเยี่ยบกับหลิวเคอเคอด้วยความไม่พอใจนี่มันครั้งที่เท่าไหร่แล้วหรือว่าทุกครั้งที่พวกท่านนึกบ้า ข, ขึ้นมาหาเรื่องพวกเราแล้วแค่ขอโทษส่งๆก็จบงั้นหรือเห็นพวกเราเคี้ยวง่ายนักหรืออย่างไร เจ้งางวินชงถลิงตเย็นชาใส่โจเจียนเยียผู้พันโจลูกสาวข้าพูดไม่ผิดแค่ขอโทษนั่นไม่พอหรอกเมื่อครูเมียของท่านกระชากตัวเมียของข้าไว้ในท้องของนางยังมีลูกอยู่เห็นได้ชัดว่านางจงใจจะทําร้ายเมียข้าจิตใจช่างชั่วร้ายนักไม่นะข้าไม่ได้จะทำร้ายหรืชิงผิงเจียนเยียท่านต้องเชื่อข้านะวันนี้ข้าแค่มาทวงเงินจากนางตอนพวกท่านอยาย ก, ก น, นางเอาเงินเก็บทั้งหมดของพวกท่านไปคนเดียวได้ยังไงเพียงพระนางทอดลูกสาวให้ท่านคนหนึ่งนั้นหรือในท้องของข้าก็ลูกของท่านเหมือนกันท่านจะทนดูให้ลูกกกขอองเเรราาาาิดมลํบหื ลิวเครอรเครอเอ่ยด้วยอารมณ์พรุ่งพลานเพราะหลีชิงพิงไม่ยอมให้เงินนางจึงคิดแผนการนี้ขึ้นมาเพื่อหวังให้โจเจี้ยนเยี่ยเกล็ดหลีชิงพิงเช่นนี้ชายหนุ่มจะได้มายืนอยู่ข้างนางแล้วพวกเขาก็จะได้รวมแรงร่วมใจกันหาทางเอาเงินคืนมาลิวเคอเคอร์อพยายามทุกวิถีทางโดยไม่คิดว่าตัวเองทำผิดสันดานมนุษย์ย่อมเห็นแก่ตัวนางก็แค่คิดถึงตัวเองและลูกในท้องเท่านั้นในเมื่อหลีชิงพิงยังคิดถึงลูกสาวตัวเองจนงเอาเงินเก็บทั้งหมดของโจเจี้ยนเยี่ยไปได้แล้วทำไมนางจะสู้เพื่อลูกของตัวเองบ้างไม่ได้ โจวเจี้ยนเย่ตอนที่เราอย่า ก, กันเราตกลงกันชัดเจนแล้วเหมืนนี่คือสิ่งที่ข้าควรได้รับส่วนที่ไม่ใช่ของข้าข้าก็ไม่ได้เอามาแม้แต่เหมยเดียวน้ำเสียงของหลีชิงถิงราบเรียบและเย็นชาตอนนี้เมียของท่านกลับวิ่งมาทวงเงินจากข้าทําราวกับว่าเงินนี้เป็นเงินที่พวกท่านสองคนเก็บหอมริบมาด้วยกันถ้าไม่คิดว่ามันน่าขันบ้างหรือยิ่งไปกว่านั้นข้ากับท่านก็ได้ลงนามในหนังสือหย่ากันแล้วนับจากนี้ใครจะแต่งจะกินกับใครก็ไม่เกี่ยวข้องกันอีกทําไมหรือหากท่านคิดจะกลับ ค, คําข้กก า, า, กาก็ไไมม่่่กกกกลััวออยาาาางเเร็ปจนที ลี่ชิงพิงเออย่างเด็ดขาดนางไม่กลัวโจวเจี้ยนเ ย, ย่เลยแม้แต่น้อยเพราะมันเหล่านี้คือกรรมสิทธิ์ที่นางควรได้ใช่ข้ารู้โจวเจี้ยนเย่ยพยักหน้าด้วยอารมณ์ที่ไม่สู้ดีนักเงินนั่นให้เจ้าไปแล้วก็เป็นของพวกเจ้าข้าไม่เอาคืนเจี้ยนเย่หลิวเคริรเคิรขึ้นเสียงสูงทันทีนางไม่ชอบใจเลยที่ได้ยินโจเจี้ยนเย่ยพูดเช่นนี้ทำไมเขาถึงไม่เอาคืนในเมื่อนางผู้หญิงคนนั้นพูดมาถึงขั้นนี้แล้วพวกเขาก็ควรจะไปสู้กันในชั้นศาล ศาลจะตัดสินอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นหลิวเคอเคอมองออกว่าโจวเจี้ยนเย่ ย, ยังคงมีเย่อใยให้หลีชิงถิงอยู่เมื่อคิดได้เช่นนั้นนางก็จ้องมองหลีชิงถิงด้วยความเคียดแค้นนางผู้หญิงคนนี้ช่างมีมารยาที่ร้ายกาจนักอยากกันไปแล้วแท้ๆยังจะมาครอบครองหัวใจของโจวเจี้ยนเย่ยอยู่อีกหุูปากโจวเจี้ยนเย่ยตวัดใสน่นางอย่างเหลืออดใครใช้ให้เจ้ามาที่นี่รีบตามข้ากลับไปเดี๋ยวนี้กลับหรือข้าบอกให้พวกท่านไปได้แล้วหรือเจ้งอวิ๋นชงเอ๋อเสียงเข้ม ตอนนี้ปัญหายังไม่คลี่คลายพวกท่านก็คิดจะหนีไปง่ายๆคิดว่าฆ่าเจิงอวินฉงรังแกได้ง่ายๆ่ ง, ยงั้นหรือหลีชิงผิงนางแอบบีบหลังมือของเจิงอวินฉงเบาๆเพื่อเตือนว่าให้พอเถิดวันนี้ได้ทําให้สองสามีภรรยาคู่นี้อับอายต่อหน้าผู้คนมากมายขนาดนี้แล้วไม่จําเป็นต้องทําให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้นางกังวลว่าสุดท้ายมันจะส่งผลกระทบต่อตัวเจิงอวินฉงเองเจิงอวินฉงกุมมือหลีชิงผิงไว้แน่นเพื่อเป็นการปลอบโยนเขารู้ดีว่าควรทําอย่างไร ตอนนี้ข้าจะไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความว่าเมียของท่านจงใจทำร้ายชิงทิงทางสายตำรวจจะตัดสินอย่างไรข้ายอมรับได้หมดขณะที่เจ้งางวินฉงพูดเขาก็สั่งให้ทหารองครักษ์ไปแจ้งความทันทีเจ้งางวินฉงโจเจี้ยนเยี่ยขึ้นเสียงสูงด้วยความตโกนกและกังวลเขาจะปล่อยให้เรื่องนี้ไปถึงสถานีตำรวจไม่ได้เด็ดขาดพระหลิวเคอเคอร์อเป็นฝ่ายผิดและเจ้งางวินฉงก็ดูถ้าจะไม่ยอมประนีประนอมใดๆหลิวเคอเคอมีสิทธิถูกขังคุกสูงมากอย่างน้อยก็ต้องครึ่งเดือนขึ้นไป ลิวเคอเคอกำลังตั้งคันเขาจะทนเห็นนางไปติดคุกไม่ได้ใบหน้าของโจเจียนเยะกระตุกเล็กน้อยจากการขมอารมณ์ท่านต้องการให้ข้าทำอย่างไรก็ว่ามาหากข้าจะเรียกร้องค่าเสียหายพวกท่านก็คงไม่มีเงินใจ่ายให้หรอกในเมื่อยากจนถึงขั้นต้องมาทวงเงินจากเมียข้าเจ้งหวิ่งชังยักไหล่อย่างไม่ยี่ระก่อนจะเว้นจังหวะไปครู่หนึ่งหากจะไปฟ้องร้องต่อหน้าหัวหน้าท่านก็คงโดนแค่เขียนจดหมายสำนึกผิดซึ่งนั่นมันไม่ทำให้ข้าหายแค้นหรอกโจเจียนเยะสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ฉชนั้นท่านก็ซ้อมค่าศัตย์ยกเพื่อระบายโทสเสถีพรพผู้ทาหา่าผู้คนที่มุงดูอยู่รอบๆ บ, บางคนถึงกับกลั้นหัวเราไว้ไม่อยู่จนหลุดคำออกมาโจจี้เยี่เข้าใจดีว่าตอนนี้เขาเสียหน้าไปหมดสิ้นแล้วแต่ก็จําต้องยอมก้มหัวให้โจเจี้เย่ก้มหน้าลงมือทั้งสองข้างที่ทิ้งอยู่ข้างลําตัวกำหมัดแน่นพยายามปรับลมหายใจอย่างหนักลิวเคอเคอมองเขาด้วยความตกตะลึงนางไม่คิดเลยว่าชายหนุ่มจะยอมลดตัวลงถึงเพียงนี้เพื่อน า, นาง คราวก่อนที่ทั้งคู่มาขอโทษที่เขตทหารยังไม่น่าอับอายเท่าครั้งนี้เลยมันเท่ากับว่าเขาต้องยอมถูกเจิ้งอวิน๋นฉงซ้อมต่อหน้าคนทั้งเขตบ้านพักทหารขอเพียงแค่อีกฝ่ายจะหายแค้นได้ก็พอยิ่งโจวเจี้ยนเย่ทำเช่นนี้หลิวเคอเคอก็ยิ่งเกลียดหลีชิงผิงมากขึ้นไปอีกทั้งหมดเป็นพระนางแพทย์ยานี่แท้แท้หลีหวานไม่ว่าอย่างไรโจวเจี้ยนเย่ก็เป็นพ่อแท้แท้ของเจ้านันนี่เจ้าจะทนเห็นคนนอกมาซ้อมพ่อตัวเองได้จริงๆหรือจะไม่คิดจะช่วยพูดดีๆให้พ่อเจ้าบ้างเลยหรือไง ทำไมข้าต้องช่วยพูดดีๆให้เขาด้วยหลีหวันเลิกคิ้วขึ้นเขาไม่ใช่พ่อข้าเสียหน่อยตอนที่ข้ากับแม่ถูกรังแกเขาไปอยู่ที่ไหนเขาไปพลอดรักอยู่กับเจ้าข้างนอกนั่นไงตอนที่แม่ข้าถูกรังแกแล้วไปบอกเขาเขาก็เลือกที่จะเมินเฉยเงินชดเชยที่แม่ข้าอมาตอนนีมันก็คือสิ่งที่นางควรได้อยู่แล้วตอนนี้เจ้ายังจะหน้าด้านมาทวงเงินอีกเจ้ามันช่างไรย่างอายจริงๆแววตาของหลีหวันเย็นเยียบที่เขาต้องมายืนรอถูกซ้อมอยู่ที่นี่มันก็เป็นพระเจ้าไม่ใช่หรืองไง หากเจ้าไม่วิ่งมาหาเรื่องแม่ค่าเขาจะต้องมาลำบากใจแบบนี้ไหมหลิวเคอร์เคอชอบโยนความผิดทุกอย่างไปให้คนอื่นส่วนตัวเองกลับทําเป็นใส่ซื่อสะอาดสะอ้านนักนะเฮะ่ะโจเจียนเ ย, ยตเตือนหลิวเคอเคออีกครั้งหุบปากอย่าพูดอีกหลิวเคอเคอเริ่มร้อนรนเจียนเย่ยที่ข้าพูดไปทั้งหมดก็เพื่อท่านาเห็นชัดๆว่าพวกนั้นทําเกินไปดีในเมื่อคิดว่าเกินไปเช่นนั้นเราก็ไปเจอกันที่สถานีตํารวจ เจิงอวินชงครานจะดูพวกเขาสวมบทบาทแสดงละครตกตาอยู่ที่นี่ต่อไปมันช่างน่าเหนื่อยนายนักไม่อยากไปสถานีตำรวจลงมือเถิดโจเจียนเยี่ยขวางเจิงอวินชงไว้อีกครั้งบอกให้อีกฝ่ายลงมือกับเขาได้เลย